เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวาทิยังวิหรติเฉตวเนอนาถินทิกัสอาราเมอาทโคัญญัตราเทวตาอภิกันตายรัติยา อภิการตะวันนาเกวรกักปังเชตาวานังโอภาเสตวะเยนภควะเตนุปสังกมิอุปสังกมิตตวะภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาทาสีเอกมันตังติตาโคสาเดวตา พระวันตังขาทายาชพาสีบหูเดวามนุสซาจามังคารณีอาจินตยุงอากังขมานาสทธานังบรูหิมังคารมุตตะมัง อาเสวนาจะบาลานังบันเิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังครมุตตัมัง ปฏิรูปะเทสวะโซจาปุปเพจักตาปุญญตาอัตสัมมาปณิดีจาเรูปมังครมุตตมังบาหุสัจจัญจะสิปัญจาวินโยจะสุสิงค์โตสุบาสิตาจะบทยาวาจาอัตมังครมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปตตาราจะสังโฆอนาคุราจะกรรมันตาเอตัมมังครมุนตมังท่านั้นจะธรรมจริยาจาญาตกานันจะสังโฆอนาวาจานิกรรมานิเอตัมมังครมุนตมัง อารติวิรติปาปามัชฌาปานาจัสญญโมอปปมาโดจัมเมสุเอตัมังขรมุนทมังคารวโจนิวาโตจาสันตุธีจะกตัญญูตา กาเลนะธรรมะสวนังเอตมังครมุตตมังขันติจะโสวจะสตาสมานานัญจะดัชนังกาเลนะธรมมะสากัจจาเอตมังครมุตตมังตโปจะรัมมจริยัญจ่าอริยสัจนะดัสนังนิพพานะสัจคิริยะจา เอตัมมังคารมุตตมังโพทาสโลกธรรมเมหีจิตังยานกัมปตีอโสกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานาสัพธามะปราชิตาสาพาทโสทิงคัดชันตีตันเตสังมังคารมุตตมันตี มังคระสุตังนิตตังมีสิบสองพระคาถาครึ่ง